อิทีนาสักการะนะผุดทางอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิทีนาสักการะนะธรรมังอภิปูชายามิข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิทีนาะ สักการะนะสังฆงอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชายอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้